เจริญพรท่านทั้งหลเจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศล ท, ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28เสิงหางงพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านท้หลายได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาสร้างความสุขให้แก่จิตใจ ความสุขนี้เกิดจากการแผ่เมตตานะความเมตตานี้จะทำให้ใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขการแผ่เมตตานี้แผ่เวลาแผ่ต้องมีผู้รับนะเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระถ้าเราสวดบทแผ่เมตตาตอนนั้นยังไม่ได้แผ่ ตอนนั้นยังไม่มีผู้รับเพียงแต่สวดเพื่อสอนใจเตือนใจว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆกับสัตว์ต่างๆเราควรที่จะมีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความหวังดีหวังให้เขามีความสุข อย่างตอนนี้ญาติโยมมาวัดตอนนี้แหละเรียกว่าเป็นกำลังแผ่เมตตาเพราะญาติโยมเขาเอากับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานต่างๆที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่พระภิกษุนักบวชเพราะพระภิกษุนักบวชไม่มีอาชีพทรมาหากินจึงต้องอาศัยความเมตตา ของศรัทธาญาติโยมอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเราต้องมีอะไรให้แก่ผู้อื่นถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่พูดเฉยๆขอให้เธอมีความสุขความเจริญอันนี้เป็นเพียงการแสดงความปรารถนาดีแสดงความเมตตาแต่ยังไม่ได้ให้เมตตาอา น, นิสงส์ยังไม่เกิดความสุขใจยังไม่เกิด จะเกิดต่อเมื่อเราเอาสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยหรืออะไรก็ตามที่ผู้รับต้องการให้เขาแล้วทําให้เขามีความสุขอันนั้นเน่ยเรียกว่าแผ่เมตตาเช่นญาติโยมเอากับข้าวกับปลาอาหารของข่าวของหวานเครื่องใช้ไม่สอยมาถวายให้กับพระอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตา แะการที่ญาติโยมมาถือศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาอันนี้ก็เป็นวิธีแผ่เมตตาเพราะเราไม่เบียดเบียนกันไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพราะเราไม่ฆ่าใครเราไม่ลักทรัพย์ของใคร เราไม่ประพฤติผิดประเวณีกับใครเราไม่โกหกหลอกลวงใครอันนี้เป็นการแผ่เมตตาไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเวลาที่ผู้อื่นเข้ามาเบียดเบียนเราเข้ามาสร้างความทุกข์ความเสียหายให้กับเราเราก็ให้อภัยเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาเอาเวลาหอนตุ ไม่จองเวรกันสเปสัตตาอเวลาหดตุแปลว่าเราจะไม่จองเวรจองกรรมใครจะมาทําร้ายเราทําให้เกิดความเสียหายเราจะมองว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราเราเกิดมาเราต้องมาใช้กรรมชาติก่อนเราเคยไปทําอะไรกับใครไว้ชาตินี้มันก็เลยต้องเกิดขึ้นกับเรา หรือเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้เหมือนกับอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหมพายุเข้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ฉันใดเวลาใครเขาทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเสียหาย ก็ให้มองว่ามันเป็นเหมือนธรรมชาติเราห้ามเขาไม่ได้เราหยุดเขาไม่ได้เขาทำอะไรก็อย่าไปโกรธเพราะเขาทำไปแล้วโกรธไปก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากทำให้ใจเราเสียเปล่าเสียเสียสิ่งของก็พอแล้วใครมาเอาของเราไปก็ให้เสียอย่างเดียวอย่าเสียสองอย่าง เสียของแล้วอย่าไปเสียใจเสียใจนี่เราขาดทุนสองต่อเสียของแต่ถ้าเราไม่เสียใจเราอาจจะได้กาไรก็ได้ถ้าเรามองไปว่าเป็นการทำบุญทำทานต่งขางข้าวของที่เขามาขโมยไปก็คิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปเหมือนกับที่โยมเอาข้าว ข, ของมาให้พระก็เป็นการทำบุญทำทานกัน เวลาเราเสียของด้วยความเมตตาด้วยความยินดีเราจะไม่ทุกข์เราจะมีความสุขแต่เวลาที่เราเสียแล้วเราไม่มีความเมตตาเราเสียดายเราหวงเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นเวลาใครเขาทำอะไรเราให้มองว่าเราต้องแผ่เมตตาคืออะไรที่เขาทำแล้วเขามีความสุข ก็ให้เขาทำไปเราต้องการให้เขามีความสุขเราต้องการแผ่เมตตาเมื่อเราให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขถึงแม้เราจะสูญเสียข้าวของอะไรไปก็ตามถึงแม้เขาจะมาทำร้ายเราทาร้ายร่างกายเราก็ให้มันเจ็บแค่เพียงที่ร่างกายความเจ็บของร่างกายนี้ ไม่รุนแรงเหมือนกับความเจ็บของใจถ้าเราไม่ให้อภัยเราจองเวรเดี๋ยวเราไปฆ่าเขาเราก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมแทนที่จะไปสุขติเราก็จะไปนรกแทนเนนี้คืออนิสงของการแผ่เมตตาจะปกป้องไม่ให้เราไปเกิดในอบาย ไม่ให้เราไปตกนรกเพราะเราจะไม่โกรธเกลียดใครเวลาใครทําร้ายเราเราก็มองว่าเป็นการชดใช้กรรมก็ได้หรือมองว่าเป็นเหมือนภัยธรรมชาติเวลาน้ําท่วมนี่เราไปเราไปโกรธน้ําหรือเปล่าเราไปอาฆาตพยาบาทกับน้ําหรือเปล่าเวลาเกิดลมพายุเราไปอาฆาตพยาบาทกับลมพายุหรือเปล่าเราก็เฉย เพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของคนที่เขามาทําร้ายแล้วก็เป็นเหมือนธรรมชาติเพราะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ไปหยุดเขาได้มีแต่เพียงแต่ต้องคอยทําใจเท่านั้นเกิดความเสียหายเราก็มาซ่อมแซมเช่นน้ําท่วมข้าวของเสียหายเราก็โยนทิ้งไป แล้วก็ไปหาซื้อของใหม่มาใช้ถ้าคนมาขโมยข้าวของเราไป mm. ก็ให้เขาาไป mm. เราจะได้ซื้อของใหม่มาใช้ mm. ดีซะอีกทีวีของเก่าแล้วถ้าขโมยเอาไป mm. ก็เอาไปเลย mm. เราจะได้มีเหตุให้ไปซื้อของใหม่ mm. ถ้ามองโลกในแง่บวก mm. มองโลกในแง่ความเมตตา เราจะไม่มีความทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราสามารถมีความสุขได้แม้แต่การเสียชีวิตเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายนี้เกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคนตายด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่สาคัญเพราะว่ามันก็ตายเหมือนกันตายด้วยโรคชารา ตายด้วยคนมาฆ่าเรามันก็ตายเหมือนกันถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาเวลาเราตายเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักวิธีสร้างความสุขให้แก่ใจของเรา ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเราเราสามารถพลิกเหตุการณ์นั้นให้กลายเป็นความสุขได้ถ้าเรารู้จักมองโลกในมุมกลับอย่าไปมองในมุมลบมองในมุมบวกเวลาเสียอะไรไปข้าวของหายไปก็มองว่าเป็นการทำบุญทำทานไปแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ ซื้อของใหม่มาใช้ทีวีเขาขโมยไปก็ดีเราจะได้ซื้อรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดมาใช้โทรศัพท์มือถือหายไปก็ดีจะได้ซื้อรุ่นล่าสุดมาใช้นี่คือวิธีมองโลกในแง่ดีมองด้วยความเมตตาเขาเดือดร้อนเขาไม่มีของใช้เขาก็เลยต้องมาขโมยของของเราไปก็ให้เขาไป ถือว่าเป็นการทำบุญทาทานไปแล้วตายไปชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่เราจะได้ของเยอะแยะรอเราอยู่เพราะว่าเราได้ทำบุญทาทานเราไม่เสียดายอย่าไปเสียดายอย่าไปหวงเพราะจะทำให้เราทุกข์ใจเราจะทำให้เรากโกรธเราจะทำให้เราไปทำบาปได้พอเรารู้ว่าคนนี้ขโมยข้าวของเราไป เราก็จะไปทำร้ายเขาไปทวงข้าวของหรือไปแจ้งตำรวจจับเขาเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมทำให้เขาโกรธเกลียดเราเวลาเขามีโอกาสเราเผลอตอนไหนเขาก็อาจจะมาตีหัวเราก็ได้อาจจะมาฆ่าเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ไปจองเวรจองกรรมใครยอาวอะไรไปก็ เรียกว่าเป็นการทําบุญทำทานไปหรือว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราห้ามไม่ได้เวลาน้ําท่วมเข้าของเสียหายทําไมเราไม่ไปจองเวรจองกรรมกับน้ําที่มาท่วมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราเสียหายแต่เราไม่เดือดร้อนใจเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่จองเวรจองกรรมใจเราเป็นปกติ อันใดนี่คือวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ในขณะที่มีเหตุการณ์ให้แผ่ไม่ใช่นั่งสวดมนต์เสร็จแล้วก็แผ่เมตตาตอนนั้นไม่มีผลประโยชน์อันใดาะไม่มีผู้รับต้องรอให้มีผู้รับต้องมีเหตุการณ์ที่จะมาขย่าใจของเราที่จะมาสะเทือนใจของเราที่จะมาสร้างความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท ที่จะมาสร้างความคิดไม่ดีคิดร้ายเราถ้าเรามีความเมตตาเราจะดับความคิดต่างๆที่ไม่ดีไปได้หมดเราจะดับการอาฆาตพยาบาทจองเวนจองกรรมไปได้แล้วทำให้เราไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมกันเวลาที่เราโกรธเกลียดใครเครียดแค้นนี้เราจะต้องไปทำร้ายเขาเวลาไปทำร้ายเขาเราก็ กลายเป็นคนไม่ดีแล้วกลายเป็นคนชั่วไปแล้วแทนที่จะรักษาความดีงามของเราไว้ด้วยการไม่จองเวรจองกรรมเราก็ไปจองเวรจองกรรมถ้าเราให้อภัยไม่จองเวรเราก็ยังจะเป็นคนดีอยู่ตอนนี้เราดีอยู่เขามาตีหัวเราถ้าเราไม่โกรธเขาเราก็ยังดีอยู่แต่ถ้าเขา เขาตีหัวเราแล้วเราโกรธเขาเราไปตีเท้ากับเราก็ร้ายเท่ากับเขาเร็วเร็วกว่าเขาถ้าเราไปทําร้ายเขาหนักกว่าที่เขามาทําร้ายเราดังนั้นเราต้องพยายามมองโลกในมุมกลับมองโลกด้วยความเมตตาอย่าไปดูคําสอนของคนโก้ที่สอนว่าตาต่อตาเท้าเอาตาเราเราก็ต้องเอาตาเขา เขาฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าเขาอันนี้เป็นความคิดของคนโง่มันจะนําไปสู่ความชีพหายนําไปสู่ความทุกข์นําไปสู่ความตายเขาเขาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาเดี๋ยวคนอื่นก็มาตามมาฆ่าเราเราไม่ใช่ฆ่ากันเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นตายไปไปเกิดกันชาติหน้าไปเจอเครืที่ไหนก็จะตามฆ่ากันอีก จองเวรจองกรรมกันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดถ้าเราไม่หยุดเราจะต้องไปจองเวรจองกรรมไปใช้เวรใช้กรรมกันอย่างไม่มีสิ้นสุดพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมรงับด้วยการไม่จองเวรเขาทําร้ายเราเราเฉยๆเสียเรื่องก็จบเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอีก ถ้าเขาทำร้ายเราเรากลับไปทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราอีกอันนี้ดังนั้นขอให้เราฝึกแผ่เมตตากันสอนใจว่าเราอย่าไปตอบโต้<ม>เราอย่าไปเอาชนะใครเรายอมเป็นเรายอมแพ้ดีกว่าเพราะแพ้เป็นพระชนะเป็นมานแพ้เราใจสงบใจเย็นใจสบายใจมีความสุข ชนะแล้วทุกข์เพราะเมื่อไปทำร้ายเขาแล้วก็ต้องวิตกกังวลว่าเขาจะกลับมาทำร้ายเราเมื่อไหร่ไปอยู่ที่ไหนก็หวาดระแวงถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่กล้าอยู่กลัวกลัวว่าจะถูกคนที่เราไปทาร้ายนั้นตามมาทาร้ายเราเนี่ยการชนะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่ได้เกิดทำให้เกิดความสุขใจ และเกิดการจองเวรจองกรรมตามมาอาจจะตายด้วยอาวุธหรือยาพิษจากคนที่เราไปทำร้ายก็ได้แต่ถ้าเราให้อภัยไม่ตอบโต้เรื่องก็จบเขาได้ทำร้ายเราแล้วเขาก็พอใจเขาก็ไม่อยากจะมาทำร้ายเราอีกนี่อา น, นิสงส์ของการแผ่เมตตามีหลายประการด้วยกันทําให้เรา มีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นและในขณะที่หลับนะเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายแล้วก็เวลาตายก็จะไม่ตายด้วยอาวุธไม่ตายด้วยยาพิษเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขาโกรธเกลียดเราก็จะไม่มีใครเขาจะอาวุธมาทำร้ายเราไม่มีใครเอายาพิษมาใส่อาหารของเราแล้วเวลาที่ตายไป ก็จะไปสุกติไม่ไปอบายอย่างแน่นอนไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้าไปพระนิพพานได้ด้วยความเมตตาแล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไปไหนก็จะมีคนคอยปกป้องดูแลคุ้มครองเราเวลาเกิดเหตุการณ์เดือดร้อนเทวดาจะมาคุ้มครองเรา หรือคนดีเขาจะมาคุ้มครองเราเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเรามีแต่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้เวลาเราจากไปเขาก็จะเสียดายเราจะไม่อยากให้เราจากไปแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนไม่ดีเรายังไม่ทันจากเขาก็สาบแช่งให้เราจากไปแล้ว เพราะเขาไม่อยากจะอยู่กับคนไม่ดีคนที่ไม่มีความเมตตานี่คือเรื่องของการมาสร้างความสุขทางใจกันเราต้องมาสร้างด้วยการแผ่เมตตาแผ่ตอนที่เราพบปะกับคนกับสัตว์เวลาเจอสุนัข ก, ก็มีอะไรให้มันกินก็แจกมันไปแบ่งมันไปหรือเวลาเห็นปลาเห็นนกถูกเขาจับขังอยู่ ก็ไปถ่ายชีวิตเขาไปปล่อยนกปล่อยปลาไปตลาดเห็นปลาสดยังไม่ตายก็ซื้อมาปล่อยก็ได้นะแต่อย่าไปล้านอาหารที่เห็นปลาอยู่ในถังแล้วก็ชี้ว่าเอาตัวนั้นตัวนี้อย่างนี้ไม่ได้แผ่เมตตาอันอย่างนี้เรียกว่ากําลังจองเวรจองกรรมจะกินปลาตัวนี้จะเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาดัางนั้นถ้าพวกเรา อยากจะมีความสุขกันขอให้เราหมัน่นเจริญหมั่นสอนตัวเองว่าเราต้องแผ่เมตตาด้วยการสวดว่าสัพเพสัตตาอเวราหงตุแปลว่าเราจะไม่จองเวรจองกรรมกันสัพเพสัตตาอัปยาปัชชาหงตุเราจะไม่เบียดเบียนกันอามีคาหงตุเราจะไม่ทำร้าย ทางกายและทางใจกันสุขีอัตนงปริหารันตุเราจะให้ความสุขแก่ทุกๆคนทุกๆสัตว์ทุกบุคคลนี่คือเป็นการสอนใจเวลาที่เราสวดเวลาที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์แล้วเราสวดบทแผ่เมตตานี้เป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจว่าเราต้องไม่จองเวรเราต้องไม่เบียดเบียน เราต้องไม่ทำร้ายจิตใจและร่างกายของผู้ mm hmm. เราต้องให้ความสุขแก่ผู้ mm hmm. อันนี้เป็นการสอนใจเตือนใจเพราะถ้าเราไม่คอยสอนใจเตือนใจเดี๋ยวเวลาไปเจอคนแล้วเราจะแผ่ไม่ออกเวลาใครเขาพูดไม่ดีขึ้นมาเราก็บึ้งนะเราก็โกรธขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเรามีเมตตาเราซ้อมอยู่เรื่อยๆเราต้องจำลองเหตุการณ์ ต้องคิดว่าถ้าไปเจอใครแล้วก็ด่าเราเราจะทําอย่างไรเราก็ต้องแผ่เมตตาเราก็ต้องไม่ถือสาให้อภัยหรือคิดว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนเสียงลมพัดลมพัดมาเราไปห้ามลมไม่ให้พัดไม่ได้เสียงคนก็เป็นเหมือนเสียงลมเมื่อเสียงลมมาก็ให้รู้เฉยเฉยอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดแล้วเราจะ เป็นคนที่มีความเมตตาเพราะเราจะไม่ไปทำร้ายเขาแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะใจของเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายนั่นเองนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขให้กับใจของพวกเราด้วยการแผ่เมตตาเราสามารถแผ่เมตตาได้ทุกแทงทุกขนไม่จาเป็นจะต้องมาที่วัดเพียงอย่างเดียวที่บ้านก็แผ่ได้ แผ่ให้คุณพ่อคุณแม่เวลาคุณพ่อคุณแม่ห้ามอะไรเราว่าอะไรเราเราก็แผ่เมตตาให้คุณพ่อคุณแม่สาวทุขออนุโมทนาที่คุณพ่อคุณแม่เมตตาคอยตักคอยเตือนคอยสอนคอยห้ามเราอย่าไปโกรธไปเกลียดคุณพ่อคุณแม่เวลาคุณพ่อคุณแม่ต้องการความช่วยเหลือขาดแคลนอะไรเราก็หามาให้คุณพ่อคุณแม่ อันนี้ก็เรียกว่าการแผ่เมตตาเราสามารถแผ่เมตตาได้ทุกแห่งทุกคนไม่จำเป็นจะต้องแผ่กับพระเพียงอย่างเดียวเพื่อนฝูงก็แผ่ได้ญาติสนิทมิตหายก็แผ่ได้ศัตรูก็แผ่ได้คนไหนที่เราโกรธเราเกลียดเราก็แผ่เมตตาไปว่าขออโหสิกรรมเราจะไม่จองเวรจองกรรมอีกต่อไป สิ่งใดที่เธอทำให้เราเสียหายเราจะถือว่าเป็นการทำบุญทำทานไปถ้าทถ้าเธอทำแล้วเธอมีความสุขก็เรียกว่าเป็นการทำบุญกัแล้วกัน<ม>เพราะเราต้องการให้เธอมีความสุขถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขาอีกต่อไปและเราจะไม่คิดทำร้ายเขาและเราก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนกันขึ้นมาก็ได้นี่คือ เรื่องของการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้จักวิธีสร้างความสุขให้แก่จิตใจด้วยการแผ่เมตตานอกจากการแผ่เมตตาแล้วเรายังสามารถสร้างความสุขด้วยการแผ่ความกรุณาคือความสงสารเวลาเห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็พอเราจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเขาไป เขาไม่มีอาหารก็หาอาหารให้เขารับประทานไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็หาเสื้อผ้าให้เขาใส่ไม่มีงานทำถ่านหางานให้เขาทำได้ก็หาให้เขาช่วยเหลือแบบนี้จะทำให้เรามีความสุขจะทำให้เรามีเพื่อนในเวลาข้างหน้าเวลาที่เราเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเราก็จะมีคนที่จะมาช่วยเหลือเรา เราก็สามารถสร้างความสุขได้ด้วยการแสดงมุนิตาจิตเวลาใครเขาได้ดีได้ดีเราก็แสดงความยินดีซื้อของขวัญไปให้เขาส่งกระเช้าไปให้เขาแสดงความยินดีต่อความสุขกับความเจริญของเขาดีกว่าการที่เราไปอิจฉาริษยาเวลาแขกใครเข้าได้ดิบได้ดีแล้วเรา กลับไปอิจฉาริษยาแทนที่เราจะมีความสุขเรากลับจะมีความทุกข์กับการได้ดิกได้ดีของผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็ได้ดิบได้ดีเหมือนเดิมแต่เรากับเสียใจเรากับทุกข์ใจเพราะเราไม่รู้จักมุติตาไม่รู้จักแสดงมุติตาเช่นเวลาแข่งกีฬาแล้วเราแพ้เราไม่ได้เหรียญ เราก็ควรจะยินดีกับผู้ที่ชนะผู้ที่ได้เหรียญเพราะคิดว่าเขาก็เหมือนเราเขาก็อยากจะได้เหรียญเราก็อยากจะได้เหรียญถ้าเขาได้เหรียญเขาก็ดีใจแล้วถ้าเราไปแสดงความยินดีเขาก็ยิ่งดีใจใหญ่แล้วเราก็ไม่เสียใจเราก็จะดีใจไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเราไม่ยินดีเรากลับไปคิดว่าเราถูกเขาโกงอย่างนี้เราก็จะเสียใจ แล้เราเราก็จะโกรธเกลียดเขาได้<ม>เราแทานที่จะมีความสุขเรากลับมีความทุกข์ใจดั<ม>งนั้นให้หัดรู้จักแสดงมุติตาจิตเวลาใครเขาได้ดีได้ดีก็คิดว่าเป็นผลบุญของเขาก็แล้วกันเขาทําดีเขาก็ได้ดี<ม>เราไม่ได้ทดําดีเหมือนเขาเราก็ไม่ได้ดีถ้าเราอยากได้ดีเราก็พยายามทําความดีกัน ต่อไปเราก็จะได้ดีเหมือนเขาถ้าเรายังไม่ได้เหรียญเราก็ไปฝึกซ้อมใหม่ไปพยายามซ้อมให้มากๆต่อไปเดี๋ยวคราวหน้าแข่งกันใหม่เราก็อาจจะได้เหรียญขึ้นมาก็ได้เราจะได้ไม่ท้อแท้ไม่โกรธเกลียดใครเราจะได้มีกำลังใจทำความดีต่อไปวิธีสร้างความสุขใจวิธีสุดท้ายก็คือการทาใจให้เป็นอุเบกขา ทำใจให้หวางเฉยทำใจไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ให้ยินดียินร้ายเวลาเห็นอะไรก็เฉยเฉยใจก็จะมีความสุขถ้าเห็นอะไรแล้วใจไม่เฉยใจจะทุกข์เห็นอะไรแล้วอยากได้ใจก็จะทุกข์เพราะจะอยู่ไม่เป็นสุขเห็นอะไรแล้วไม่อยากได้ใจก็จะทุกข์แต่ถ้าเห็นแล้วทำใจให้เฉยเฉยได้ ใจก็จะสุบไม่เดือดร้อนอยากได้แล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจเวลาเจอของไม่อยากได้อยากจะให้หาไปพอไม่ไม่หายไปก็เสียใจถ้าเราไม่รู้จักทําใจให้เฉยเฉยถ้าเรารู้จักทําใจให้เฉยเฉยเป็นอุเบกขาเราก็จะไม่เดือดร้อนเราต้องมองว่าสิ่งต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นนี้เราไปห้ามมันไม่ได้มันเหมือนธรรมชาติ เหมือนฝนตกแดดออกเวลาฝนตกแดดออกเราห้ามมันไม่ได้เช่นใดเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนกับธรรมชาติเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราอยู่กับเขาได้ถ้าเรารู้จักทาใจให้เฉยๆวิธีที่จะทาใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขาก็ต้องหัดนั่งสมาธิกันหัดเจริญสติกันควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเห็นอะไรใจก็จะเฉยเห็นอะไรชอบก็จะเฉยเห็นอะไรไม่ชอบก็จะเฉยได้แล้วเราก็จะมีความสุขเพราะความสุขของใจก็อยู่ที่การเฉยนี่เองไม่ได้อยู่ที่การได้ได้หรือเสียอะไรต่อให้ได้มากเท่าไหร่ถ้าใจไม่เฉยก็ยังไม่มีความสุข เพราะยังจะอยากได้อยู่เรื่อยๆเพราะมีความอยากได้ใจก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วแต่ถ้าใจเฉยๆไม่อยากได้อะไรใจจะมีความสุขนี่คือวิธีสร้างความสุขต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันสร้างด้วยความเมตตาสร้างด้วยความกรุณาสร้างด้วยมุทิตาสร้างด้วยอุเบกขานี่แหละคือการหาความสุขที่ถูกต้อง ไม่ใช่ให้หาเงินหาทองหาสิ่งของต่างๆเพราะเราหากันมามากแล้วเรวเรายังเรามีความสุขไหมของที่เราหามาได้ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปแล้วต้องหาของใหม่ๆอยู่เรื่อยหามาได้เท่าไหร่ก็หายไปหมดสู้มาหาความสุขแบบพระพุทธเจ้านี้ดีกว่าเพราะจะอยู่กับเราไปเรื่อยเวลาเรามีเมตตาเราก็สุข เวลาเรามีการุณาเราก็สุขเวลาเรามีมุดิตาเราก็สุขเวลาเรามีอุเบกขาเราก็จะสุขดังนั้นขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องของการหาความสุขสี่ประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้วค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเท